มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาเมนกะปัญห า, า, า, ญหาชัตวักขคิหิอรหัตตะปัญหาที่สามถามว่าคฤหัสถ์สำเร็จพระอารหัตนั้นถ้าหาอุปชาอาจารย์ไม่ทันบวชเองก็ดีช้าไปก็ดี จะนิพพานาหรือไม่สมเด็จพระเจ้ามิรินปินกษัตริย์ขัตติยาทิราชผู้มีบุพพาวาสนาจะได้สําเร็จแก่พระบวรามริทยาที่คัตระทอันประเสริฐคือจะได้พระนิพพานในปัจจุบันจึงมีพระราชโอค์การถามปัญหาพระนาคเษนสื่อไปเล่าว่าพันเตนาคเสณะข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าพระนาคเษนเถระผู้มั่นในอริยศินสังวรวินยัย ตุมเหภนัทพระผู้เป็นเจ้ากล่าวไว้กับโยมแต่เดิมว่าฆราวาสได้พระอรหัสนั้นมีคติสองประการคือจะต้องบวชเสียในวันอันได้พระอรหัสนั้นประการหนึ่งข้อนบุคคลเป็นขราวาทได้สำเร็จพระอรหัตแล้วถ้าไม่บวชเสียในวันนั้นจะเข้าสู่พระนิพพานในวันที่ได้พระอรหัสนั้นประการหนึ่ง เป็นคติสิริเป็นสองประการแน่ดังนี้หรือกอไรพระนาคเษนผู้ประกอบไปด้วยญาณปรีชามีเถระวาจารับพระราชาองค์การว่าอามะมหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชาสมภารเป็นความจริงดุดพระราชาองค์การตรัตมานั้นสมเด็จพระเจ้ามิลินอันเป็นปินสาคละราชมีพระราชาองค์การตรัสประภาถามซักอีกเล่า ว, ว่า ถ้าแต่พระผู้เป็นเจ้าถ้าคาราวาดได้พระอรหันต์แล้วจะบวชในวันนั้นก็หามีอุปชาอาจารย์ที่ท่านจะบวชให้ไหมจะบวชเอาเองก็ดีจะคอยท่าหาอุปชาอาจารย์ที่ท่านผู้มีฤทธิ์เหาะได้ช้าไปจนวันหนึ่งหรือสองวันก็ดีจะได้หรือไม่ได้เล่าพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเษนจึงถวายพระพรว่ า, วามหาราชะ ขอถวายพระพรบวพิษพระราชสมภารพระองค์ผู้ประเสริฐซึ่งคาราว่าดได้พระอรหัดในวันใดต้องบวชในวันนั้นในสำนักครูบาอาจารย์โดยปกติที่ว่าจะกระทําเหมือนพระองค์การตรัสชนี้จะได้บวชเอาเองก็ดีจะให้คอยท่าอุปชาอาจารย์ท่านผู้มีฤทธิ์อันจะเหาะมาบวชให้ก็ดีช้าไปวันหนึ่งหรือสองวันเชน่นนี้ไม่ได้ ถ้าบวชเองเป็นไถยาเพศมิได้เรียกว่าบรรพชาประการหนึ่งถึงจะคอยท่าพระอรหันตอันมีฤทธิ์รู้จักจิตว่าจะบรรพาชาจึงจะเหาะมาบวชให้ก็ไม่ได้ถ้าช้าไปจนวันหนึ่งหรือสองวันเกินกำหนดไปก็คงจะเข้าสู่พระนิพพานในวันนั้นขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินผู้เป็นปินประชา มีพระราชองค์การตรัสว่าพันเตนาคะเสนข้าแต่พระนาค เ, เสนผู้มีปรีชายานอันประเสริฐพระผู้เป็นเจ้าสิว่ากระนั้นก็คาราวาดนี้ถ้าได้ถึงพระอรหันต์แล้วหน้าที่จะดีทีเดียวฉะนไหนจึงร้อนรนถึงสิ้นชีวิตฉนี้เล่าพระนาค เ, เสนผู้ประกอบด้วยปรีชาเฉลิมประหาดจึงวิสัชนาว่ามหาราช ขอถวายพระพรบอพิษพระราชสมภารเป็นด้วยเพศฆราวาสนี้ต่ำไม่สมควรแก่พระอรหัตภูมิครหัสนี้เป็นภูมิอันต่ำช้านักจึงต้องให้ละเพศฆราวาสบวชเสียในวันที่ได้พระอรหัตนั้นนี่แหละเพศแห่งบรรพชิตผิดกันต่างกันอุปมาดังบุคคลอันเคยรับประทานอาหารเลี้ยงชีวิตมีชีวิตอยู่เพราะอาศัยอาหาร ครั้นมาเป็นทุพพิกขการเกิดข้าวแพงหาอาหารบริโภคมิได้บุรุษผู้นั้นอดอาหารอยู่หลายวันครั้นหาอาหารได้บุรุษชายนั้นบริโภคจนเกินขนาดเตโชทาตไม่อาจเผาผลาญได้บุรุษผู้นั้นก็ถึงแก่ชีวิตตักใสกระทํากาละกิริยาตายจะว่าบุรุษชายนั้นไม่รู้ประมาณ หรือจะโทษเอาอาหารว่าตายเพราะอาหารหรือประการใดเล่าสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชค์การว่าพันเตนาคเสณะฆ่าแต่พระนาคเษนผู้ปริชายานอาหารเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตจะเป็นยาพิษหามไม่ได้บุรุษผู้นั้นมาสิ้นชีวิตด้วยโลภในอาหารรับประทานเกินขนาดไป จะโทษอาหารอย่างไรได้พระนาค เ, เสนถวายพระพรว่าฉันใดก็ดีภูมิคราวาตต่ำนักไม่อาจต้านทานพระอรหันต์เปรียบดุจคนอดอาหารต้านทานอาหารไม่ได้ฉะนั้นเหตุฉนี้แหละคราวาตที่ได้พระอรหันต์จึงต้องบรรพชาเสียหรือนิพพานเสียในวันนั้นนะบ่อพิษพระราชสมภาร อีกประการหนึ่งเล่าเปรียบอุปมาดุดกลุ่มหญ้าอันน้อยนักบุคคลจะเอาศิลาอันหนักทับลงกลุ่มหญ้าอันน้อยมิอาจทนทานศิลานั้นได้ประการหนึ่งเปรียบดังบุคคลประกอบไปด้วยบุญอันน้อยได้สมบัติอันเป็นอิสระภาพแล้วมิอาจปราบดาพิเศษครองราชสมบัติได้ไม่คู่ควรที่จะครองราชสมบัติ ก็บังเกิดความชิบหายอันตรายต่างๆถึงกับต้องประหารชีวิตทนเวทนาสาหัสจะโทษสมบัติว่าสมบัติร้อนพาให้อายุสั้นหรือประการใดเล่าขอถวายพระพรพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสว่าพันเตข่าแต่พระผู้เป็นเจ้าจะโทษเอาสมบัติว่า ราชสมบัติร้อนหาชอบไม่เลยฝ่ายผู้นั้นบุญน้อยไม่ควรที่จะเสวยจึงเป็นอันตรายฉิบหายต่างๆจนถึงอาสันพระนาคเษนจึงถวายพระพรว่าความนี้ฉันใดก็ดีอันว่าภูมิเพศ ร, รารวาสนี้ต่ำช้าไม่ควรที่จะครอบพระบวรวีมุติสเสวตฉัตรได้แม้สำเร็จพระอรหันตตัดกิเลสวันใดแล้ว ก็ควรบวชเข้าในบวรพุทธศาสนาในการวันนั้นเหตุว่าเพศบรรพชิตนี้สมควรที่จะทรงซึ่งพระบวรวิมุติเสเวตฉัตรได้พระบวรวิมุติเสเวตฉัตรคือพระอรหัตตะมักพระอรหัตตผลเพศข้าระวาดนั้นทุพพลมิอาจส่งไว้ได้ขอถวายพระพรราชา ฝายสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทรราชได้ทรงฟังโอวาทวิสัชนาก็ซรองสาธุการต่างๆสันเสริญพระหน้ า, าเคเสนว่าประกอบด้วยยาณปรีชาขิหิอรหัตตะปัญหาเป็นคำรบสามจบเพียงนี้